ตอบคำถาเรือ่รองพระเ<ร>จา้าด้วยจรอสติลโพธิญาณ ท, ท่านเม่ตามฮโลภิกษุถามมาว่าที่ว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทําลายต้นเหตุให้เกิดนี้ส่วนศาสนาอื่นเขาสอนให้บูชาพระเจ้าสร้างให้เกิดมองกันแล้วจะเห็นว่ า, าศาสนาพุทธ น, นิสอนให้เป็นคนขาดกตันอยู่ ะจะแก้เขาอย่างไรถ้าหากว่าผู้เป็นต้นเหตุให้เราเกิดมาสุขสบายไม่มีชาติทุกข์ช ร, ราทุกบา ร, รณะทุกโศกับปริเควทุกทรกรทโธบาณอุปายาไม่มีโรคติดต่อไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไประเบิดไม่มียุงกัดไม่มีสารพัดโรคสารพัดไขยเกิดมาก็สุขสบายเรื่องตดๆเป็ น, นไปก้อนหน้าละครับที่จะอ่อนวอนกราบไหว้หน้าจะแสดงความกตัญญูกตเวทีตาต่อท่านผู้ชาตแต่ถ้าว่าตรงกันข้ามนี่สร้างมาแล้วไมสร้างมาดีนี่ สร้มาให้ทุกนี่ชาติปทุกชราทุกบรรณทุกพยาพิทุกร้อแปดพันประการอ่าอยู่ดีดก็แผ่นดินไหวอยู่ดีดก็โรคระบาดมาอ่าอยู่ดีๆก็เย็นก็ร้อนก็หนาวก็ฝนนี่ไม่สม่ำเสมอไอ้ที่ร้อนก็ร้อนตายที่หนาวก็หนาวตายที่เย็นก็เย็นตายไอ้ที่กันด้ำหน้าก็มีน้ำหนาจะกินเลยต้องขุดน้าบาดาลหากันทะยอทนทะแยไอ้ที่มีน้ำก็มากจนหัือุกเข่าทางน้าท่วมตายอย่างนี้เราจะไปกับันยูได้ลุงคอได้ยังไงล่ะครับกับมันยูไม่ได้หรอกแบบนี้องทํารง ตอนนั้นพุทาสจนสอนให้ทํำลายจนเหตุการวิชาเรื่องชาดกนี่นะครับท่านต้องคาความเข้าใจหน่อยนะฮะเป็นเรื่องที่คนทายหลังเพิ่มเติมมาก็เยอะข้อความข้อความรายละเอ the ียดนะเฉพาะตัวคาถาแท้ๆเราชื่วเป็นพุทธภาวะติดตัวคาถาวันนี้ในในชาดกสมองแปลไทยเนี่ยแต่เอาอัตคาถมามามาตุ่มด้วยมาตุ่มไปขยายความเป็นแนวอัคาธิบายในชา ทาปรการะกาถาแต่ิโดยพุพาธคุตาจารย์ในสมัยจักรวรรดิกาไอย่างนั้นก็เรื่องราวในเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเรานี่ก็เอาความแน่นอนเลยไม่ได้ได้สิครับเอาความแน่นอนจากมาลีชั้นไตรปิฎกชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ดูชั้นปรกาศถาข้อนี้แหละทางพุทธศาสนาเป็นเด่นยิ่งกว่าศาสนาอื่นเพราะว่าในพุทธศาสนาเรานิยมไม่ใช่ปัญญาพิจรารณาไม่ต้องเชื่อเดาวตรวตามคำทีรไปแต่ส่วนศาสนาอื่นน่ะใครจะสงสัสยแค่เดียวไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะเอาลงนะลต้องเชื่อแต่พุทธคือ ทางขุนลาว้ิจารบอกว่าแม้แต่คำสอนพระองค์ก็อย่าพึ่งเชื่ออันนี้แหละเยี่ยมมนเข้าเป็นหลักเหตุผลที่นักวยาศาสตร์ยอมรับข้อนี้อันนี้ในทารศึกษาพิทาศาสนี่เราก็ต้องใช้บัญญาให้สิ่งเหลื อ, เ, ล อ, เ, ล อ, เ, ลอเกินเราก็รู้ว่านี่เป็นเกส า, า, านี่อย่างในโซนภาษาชาลกเนี่ยข้ขอความในตัวคาทาเป็นพุทธพจน์ไอเขาอว่าไดบอกอามืรูปเขสั่งทันเนี่ยเป็นมติของอาจกถาตู้สมาสมสาตรวติกา ก็แสดงว่าเชื่อไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับเอามือลูกต้ไม่ไม่ใช่จะเชื่อได้ไม่เชื่อไม่ได้แล้วแต่เราถ้าเราสมัครจะเชื่อถ้าอภินิหารแล้วก็เชื่อได้บอกเป็นอภินิหารก็เชื่อไปนะฮะอภินิหารแต่ถ้าเราไม่เชื่ออภินิหารเนาเหลือวีสัยก็ไม่แปลกก็ไม่แปลกผู้ศักดิ์ศรีก็หนเทือนไม่เชื่อแล้วไปเคพียงไม่เชื่อแค่นี้ผู้สักดิ์ศไม่เจ็บร้อนอะไรแล้วตอนนี้คนอื่นเขามาถามในให้เราแล้วก็บอกเขาตอบบอกว่าข้อนี้เป็นเรื่องอัตถะอาจารย์ขั้นหลังขยายกว่า แล้วเราเพิ่มไอ้ข้อนี้มาว่านี่แหละจะเห็นข้อประเสริฐในพุทธศาสนาคํำพีในพุทธศาสนาไม่มีข้อห้ามที่ไม่ให้คนสงสัยยิ่งสงสัยยิ่งดียิ่งพักมากจะยิ่งเจริญแจงมากคิดก็ทำนี้เส่นตาทำนี้ถามใหม่ท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าที่อาจารย์ดะเสียนได้บรรยายไปเมื่อกิบเนี่ยคือท่านถามว่าเรื่องพระเจ้าก็ทราบแล้วครับเยซูเป็นลูกของใคร แม่ของพระเยซูนั้นเดิมชื่ออะไรและพ่อชื่ออะไรเกิดที่ไหนเอปัญหาเรื่องนี้นีมนคอยอ่านหนังสือเรื่องี้ผมว่ากันแล้วกันนะฮะทันจะรู้เรื่งดีเล่อนั้นแหละข้ออิงกะโซนอ่ะว่าเล่อนั้นก็ลกนแล้วกันนะครับอที่กองาเข้าใจแล้วอ่าแต่ขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายต่อไปอีกว่าแล้วพวกโยคีเนี่ยมีการบำเพ็ญศีลอย่างนั้นอ่าบริสุทธ์อย่างนั้นบำเพ็ญอย่างนั้น อเขาะจะได้สวรรค์เป็นอย่างน้อยจะได้ไหมถ้าหากว่าเขาบาําเพ็ญจนถึงที่สุดไม่ถึงนิพพานได้ที่ครับอย่าว่าแต่สวรรค์เลยพุทโลก็ยังไปเพราะฉะนั้นนี่แหละจะเห็นความยุติธรรมในพุทธศาสนาเราศาสนาฝ่ายเทวานิยมน่ะเขามีข้อแม่อย่างนี้นะครับอเขาบอกว่าแกจะเป็นใครก็ทางถ้าแกไม่เขารูพระเจ้าของฉันไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจ้าของฉันแม้ตลอดชีวิตนี้แกจะเป็นคนดีมีศีลธรรมทําแต่ความดีตายแล้วตกตกลุก ตัดสินกันเรตรงนี้แหละตัสินว่แกรับขู่พระเจา้าหรือเปล่ปาปฏิบัติตามคำสอนพระเจา้าหรือเปล่ปาถ้าปฏิบัติตามแล้วก็ถึงแม้แกจะเป็นคนชั่วในวันนิพพานสาก็ล้างบาปให้แกได้ยกบาปให้แก่ ไ, กกไปขึ้นสวรรค์ตอนนี้พวกเราเนี่ยเราไม่ได้พูดเข้าห้องตัวเองเอาแต่ได้พูดเราพูดกลางๆเพราะว่าใครก็ตามถ้าปฏิบัติตามธรรมะธรรมะ น, นี้ก็ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในพุ้ธศาสนานี่ธรรมะเป็นของกลางๆในโลกปฏิบัติตาม ผู้นั่นก็ไปสู่สุคติตามชัทขั้มภูมิผู้ตัวอย่างเช่นพวกโยคีภายนอกาศาสนาอย่างเนี้เขาทําฌานสมาบาัติเป็นโยคีฌานได้เขาก็ไปพมรุ่งสิครับไปสู่สุคตินี่หรือไม่ใช่โยคีก็ตามดูที่คนธรรมดาเป็นฝรั่งมังค่าที่มันเลนักถือพุทธก็เถอะถ้าเขามีศิลธรรมอยู่ในศีลห้าบริจาคทานสร้างโรงพยาบาลเอ่ยตั้งมูลนิธิสงเคราะห์คนทุขภาพยากจนต่างๆเอ่ยถึงตายไปเขาไม่ไ้เขาไม่ไดนักถือพุทนะฮะถึงเขาตายไปเขาก็ไปสวรรค์ นี่พุทธเราตัดสินตรงที่กรรมไม่ใช่ตัดสอุทิศถือหรือไม่ถือตัดสินตรงที่กรรมว่าแกทํากรรมอะไรมาก็ตามแกจะนับถือศาสนาอะไรก็ะ่างถ้าแกทําดีแล้วแกก็ไปสู่สุคติแกนับถือศาสนาอะไรก็ะ่างถ้ากแกทําชั่วแล้วแกก็ไปอบายไม่ใช่ตัดสินตรงที่ว่าถ้ากเป็นพุทแล้วต่อให้ทำความชั่วฉันก็รานหวัาไม่กได้ถ้าแกไม่เคยถือพุทธแล้วถ้ากันไปทำความดีฉันก็เก่งกระตุกลึกะอย่างศาสนาฝ่ายเทวานิยมเขาเราไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้แหละเป็นจุดเด่นในพิสาศาสนา ประสิงกันติ่กรรมพระพุทเจ้าจะบอกว่าตถาคตเป็นวิรยาวาาิยะวาระกล่าวว่าความเพียรมีเป็นกามวาระกล่าวว่าการกระทํามีตัอย่างนี้แล้วก็ ก, กากัจจปะอารจิกกัจจปะว่าดู ก, กรกัจจปะอ่าลทัทธิธรรมคาสอนของสมณะธรบางเหล่าภายนอกศาสนาที่ตรงกันได้กับคําสอนของเราก็มีที่ไม่ตรงกันก็มีตัอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ฉะนัยนตถาคตจัก ตําหนิเรืเ่องบาําเพ็ญสบัตไปเสียตะพตึทธเหล่าตถาคตเห็นด้วยที่ประจกักรสุอันร่วงจักรสุขามันในชนว่าฤาษีบางเหล่านะ่บนนะบําเพ็ญตบัตไปแล้วท่านทําการกักยิบยาก็ไปสู่สุกติโลกสวรรค์ก็มีฤาษีบางเหล่าบํเบาเพ็ญสบัตทําลายทําการกักริยาไปแล้วก็ไปสู่ทุกติก็มีอเมื่อเป็นเช่นนี้แนย่ยหตถาคตจริงจะกล่าวตํหนิกนนารเพ็ญตบัตอย่างตะพุทธตะพูไปเสียหายเดียวไม่ได้ นี่อันนี้แหละครับเป็นแสดงจุดเด่นในพุทธศาสนาขงเราไม่ได้ ว, วัดคนหรือตัดสินคนโกงที่หวานักถือหรือไม่นักถือตล้องที่กรมแต่แว่าเรื่อง้มีพานแล้วต้องมีข้อยกเว้นนะหรือมีพานนะถัาไปปฏิบัติทำภายนอกจากธรรมะพุทธศาสนาและไปนิพพานไม่ได้อ่าก็ตามท่านพระปิชาอินทปัญโยสุราชานีถามมาว่าอทําไมจึงมีญาติน้องชาวไทยหิชาวพุทธในนามบาใน นามบางเหล่าหรือบางคนในคนบางเหล่าหรือบางคนจึงหันไปเคลือนทูนนับถือศาสนาอื่นทั้งๆที่ศาสนาปุ๊เป็นศาสนาที่มีเหตุผลและเป็นศาสนาประจําชาติบ้านเมืองของเราหรือของตนมาตั้งแต่น ม, มนานดังที่เราเห็นสั ญ, ญลักษณ์หรือสักีพย า, ยานปรากฏอยู่บนผืนผ้าธงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยทุกคืนวัน เ, เราจะนับว่าเป็นกษัตริยตังอยู่อย่างไรแรงในฐานที่เป็นผู้บนทําลายทรพสมบัติหรือมรดกอันล้าเลิศชิ้นเอกของชาติ ที่บรรพบุรุษก็อุตสาห์สืบ้าและรักษามาได้โดยยากุดได้หรือไม่กรุณาเฉลยเฉลยให้กันแจ้งด้วยและให้สวยงามด้วยท่านพระปิชาอินทปัญโยจังมัตสุราชถามมาอ่าในข้อนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นความบกพ่องของชาวชาพุทธเองที่ว่าเราชาพุทธแต่ทั้งที่เราอู่่เมืองไทยเปเมืองพุทธเราก็ยังปล่อยไปให้คนอื่นเข้ามาดึงพวกเราผายหาเขาเป็นการบกพร่องในการฝั่ ง, องสอนพวกเราที่เราไม่สามารถดึงพวกเราไว้อยู่ ไม่สามารถอธิบายชี้แจงให้ที่น้องชาพวกเหล่านี้เขาเข้าใจสุนทราในหลักธรรมในพุทศาสนาแต่เป็นข้อที่น่าสังเกตว่าบรรดาคนที่ทอ้งพุทาสไปเข้าริาศาสนาอื่นได้นั้นเป็นพวกที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาที่แท้จริงเลยเป็นคนที่ไม่มีความรู้ทางพุทธศาสนาเลยถึงแม้จะบางคนจะเคยบวชเคยเรียนแต่อย่าลืมว่าศาสนาอื่นเขามีอามิชินเครื่องล่อแหะครับบางคนทิ้งศาสนาพุทธไปเพราะอาวิชยางนี้เราเราไม่เราไม่เสียใจเชิญไปเถอะถ้าถึงแต่อาวิรแล้ว เราเราไปอยากคือกั น, นได้เงินเนี่ยอย่างเนี่ยไม่แปลเลยแต่ว่าคนบางเหล่าน่ะพึ่ไปเพราะเข้าใจผิดว่ า, าศาสนาของฝรัง่งบังค่านน่ะดีกว่าภาสนาของไทยอย่างนี้สิครับน่าเสียใจยคือพี่ปเป็นด้ความเข้ า, ขาใจผิดที่เข้าใจผิดนะเพราะว่าตัวเองนะไม่เคยรู้เรื่องศาสนาราะทั้งๆในคำว่าลูกครัเป็นพุทธบิดามารดาไม่ได้หายการอบรมทักจูนเด็กไทยขวัตตั้งแต่เด็กแล้วก็พระสู้เราไม่มีอิทธิพลในการควบคุมที่นิสิตกายใจและครอบครัวเหล่านั้น คือเม่อในครบครัวหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งมีวัวดทุกเจสามยัดแล้วนะลวัทุกหลาหน้าพระเราก็สื่อคนพระชาวบ้านมีือคนชาวบ้านไม่มีการไปมาหาสื่อหาตอนกันชาวบ้านก็ไม่รู้จกักพระเพราะเขาไม่จับชาวบ้านอ่ง น, นี้ระพวกศาสนาขลังก็แผ่มาถึงเขาก็ดูพวกนี้ไปได้ง่ายถ้าแม้นะพระเราไปทําตอนี้จักประชาชนในหมู่บ้านให้ทุกทุกครัวเรือนแล้วก็อ้อนกันนั้นก็หาอุบายหาอุนทางที่จะเกลียกตอนทัดจูให้เด็กๆเยาวน หรือคนในหมู่บ้านนั้นแห่รู้จกักคุณค่าโฆตณาพุทธวิธีการต่างๆไม่ใช่โดยวิธีเทศนาวันพาคเทศีไม่ได้ผลนะครับการเทศวันราคเทศีนีงเนี่ยเทศเป็นทรรมเนืเทศเป็นพิธีคนมี่จะฟังรู้เรื่องฟางเข้าใจนะไม่มีเลยขาจะมีก็ น, น้อยเต็มทีไม่ได้ผลการเผยแผ่ใะศาสนัพก็ธตราบใดยังให้แก้ไขายยังเผอแผ่แบบเก่าอย่างนี้แล้วก็เก่งศาสานาฝรังแน่ทำไม่ได้จากพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไอเทศแบบวันภมีเลยก็ดี แต่คนในเทสนาหัวหัรคนเมียงชวนนอนหลับเนี่ยคุณฟังก็จะหลับเสียงเนี่ยแล้วก็ฟังหนูเรื่องหยเสียงยื่นเยออ๊อฟอ๊อฟก็จะจบเนี่ยโอ้ไม่ไหวเราต้องทันเหตุการณ์ทันสมัยเริ่มเทศเสียงแบบนั้นให้เทศยังเสียงระพุธรรมดาอย่างภาษาคาธรรมดาให้ฟังกันง่ายง่ายให้ฟังกันอย่างเข้าใจพอเทสจบให้ดูซักว่าผงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าพิเศษหรือสงสัยอะไรหนึ่งหนึ่งธรรมะหนึ่งศาสนาบ้างหรือเปล่าซักให้หย่อนซัก แล้วก็คือทารหปทาบ้านเข้ามาเข้าวัดเขาลุกขึสุนพเดืยมีโอกาสคุกะพระมีโอกาสักใต้อะไรเดือยไม่ว่าเเป็นที่ทจบแล้วากันแล้วก็ต่างคนตามีทท่าต่อกันเลิกกันงไม่ได้สลแบบนั้นนี่มูสงเขาไม่ทาแบบนี้เขาเคียนลาถักะาสแล้วก็มีไปเยี่ยมกระทุกสุกิดตามบ้านเอ๊ะวันนี้ย่หายแต่เป็นอะไรไปหรืังคเนี่ยรู้เขาว่าเ็ไม่สบายไปตามถึงบ้านเดียไปเยี่ยมไปเยี่ยมถึบ้านนะเราแต่ทาอย่างนั้นบ่ อยากเดินที่มาขึ้นกับวัดเรามาฟังเสวัดเราเด็กตั ว, ตวได้ไข่เยื่อทังบาทลูกเต้าเมื่อไรก็ให้เดินพามาสี่วัดมาอบรมมาคุยถ้าเป็นเด็กเล็กเราก็เตรียมขนมเห น, มนมียวให้กินเน่ให้มันสนุกให้ลูกสุกรมาวัดมาสนุกมาได้กินของจากวัดในนี้นพ่อแม่เอาพอใจอยากจะพาเด็กมาเข้าวัดแล้วก็รู้สุกรมาวัดหนาไม่ใช่เป็นฝ่ายจะรับเอาจากชาวบ้านฝ่ายเดียวแต่ลูกจะให้ชาวบ้านด้วยถ้าหาว่าเราไม่ทำอย่างนั้นไปเช็ดเอาแต่ธรรมยืนโบราณ สำมหน่งแบบเทสนาโอหันเก่าๆแบบนี้อ่ะอีกไม่ช้าจะคนทิ้งศัพท์นะพุทจะมากกว่า น, นี้ครับจะทิ้งมากกว่า น, นี้ถ้รามทีมมไม่อยากเข้าวัด เ, เข้ามาแล้วมีอะไรเลยลมามองแต่คนหัหลอกคนโอดเนี่ยขเขาหนเขาอายเข้ามาูันนักเเลเขากว่า้องร้ไปแก่แล้วธรรมะเาไม่รู้าสนาทุทไม่ได้ เ, เรียนมีแต่ตึ้งข้าพุทธในมะหนูครอเพราะฉะนั้นเขาไปเจาลังบางข้ามาเทียก่อให้ทิ้งทิ้งพุทธไปหาเขาเขาเขาทีจะไปข้อน เปี่ยนาสนาน้ามาคุยกับศาสนาฝรังแล้วมันโก้มีแต่คนหัวดำเข้าข้าบวถเข้ามาวัดทุตคนหัหลอกข้าบทุคนหัวดำหายาเปรกกันง่ายๆเาบอกเอเราไปเราหดไปทันสมัยกับบสถฝรั่งดีกว่าหัวหอกพวกาสมัยไปบทุตและนี่มาเจ็นภคคำคำคืคืัยเทสาวหาเก่ๆคือคอะไรเป็นเ่ยยบบรบาริัฟังเรื่องใหญ่ใหญ่เรื่องการอ้ยฟังไม่รู้เล่ากันมาอยากฟังแล้วเพื่ผู้ผู้ารภาษามันจะภาษามันไม่จตุบันแล้วมันไม่รู้เลอนี่ฮ่า่ และใครไได้เข้าวัดใครมันอยากจะมันใครมันอยากจะถึงพุทธเนี้เเขาสึกไป้ง่ายผมนี่บอกว่าคนจะถึงพุทธเน่ะโดยที่จิตมันจะไม่เปลี่ยนแปลงน่คนคนนั่นต้องศึกษาพุทธศาเนาจนถองแท้แล้ ว, วเมื่อ๋อศอพท์นะพุเรียนเจอธรรมะดีอยู่เข้าบริบูรณ์แล้วเนี่ยอรรอตอนนี้ชาวบ้านทุกวันนี้นะ่ะีคนจะมีโอกาสาาทารู้ธรรมะการคองจิตมันรักตัวการคลจรัตัวเระจมีเด่นงส้าเล่นกลายเป็นท้าตั้งสเล่จะไม่เราทุกันนี้เราทาทาทาสิติได้ ว่าชาวบ้านนะอาตมาตีโดคบแต่ติดรเร่องจบบริบูรณ์มีไหมผมเชื่อทั้งประเทศไทยนีไม่ เ, เกินห้าสิบคนทั้งประเทศไทยผมเลยยี่สิบ้าลาเนี่ยมีไม่ เ, เกินห้าสิบคนเป็นชาวบ้านสามาัญอาตมาตีโดตั้งแต่หน้าต้นจนนบ้านหน้าท้ายแติเล่อคร บ, บบริบูรณนะ์หายากหายากจริงนยอ ว, ว่าแต่คดหาดเลถ้าเราก็สิจะอาตมาตโดคจบแตเลิดเรืองม ไ, ไหมครับเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเมือล่ะ เมื่อกลามุ่งานเราก็สํความคันกับอยู่ข้อในทางศาสนาตัวเองอยู่แล้วอาจจะไปขี้แก่ชาวบ้านก็เราก็ไม่มีทางไปที้แจงอย่างนี้ชาวบ้านก็นี่ัยกันใหญ่สิครับอย่างนี้ต้องศาสนากรวัดตัวีไม่มีพันธะกับชาวบ้านเลยอย่างนี้มันขาดพันธะกันไปแล้วถึงแต่บรรทบุรุษนนั้นเองถือต่รรทบุรุษถ้าคนไหนใจคอไม่เข้มแข็งหน่อยก็ไปไปเอาง่ายๆเลยพิมพดแง่ายๆเพราะเหตุนั้นข้อสคัญต้องแก้ไขช่วยดก่อน ตวในวัดเลยครับต้องแก้ไขก่อนทำอย่างไรจะทําให้วัดกายเป็นสถานที่จูงใจของชาวบ้าน ท, ที่อยากจะมาดูอยากจะมาคุยกับพระอยากจะส่งเด็กมาให้พระอบอรมอันนี้สำคัญที่สุดถ้าเราแก้ที่ตัวเราอยู่แล้วก็อย่าไปกลัวเลยพวกศาสนาขลังที่มันจะมาผู้แพรเนี่ยไม่ได้กินเ่าหรอกครับเนี่ยข้อสองต้นเรินมต้นเต้นเริมของมนุษย์เกิดขึ้นในบ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอะไรก่อนคนที่เกิดมาครั้งแรกชื่อว่าอะไร ที่ชื่ออย่างนั้นมีใครเป็นผู้ตั้งชื่อให้เช่นนั้นหรือดำานิตั้งเอาเองนี่อาจินไปปัญหาข้อนี้น่ะอาจินไปปัญหาได้กล่าวมาแล้วว่าทางพุทธศาสนาเน่ยไม่สาหาัสต่อภายนอกของโอกาสโลกไม่สาหาัสต่อพระพิจารณาเนแค่ไม่ใช่ตํารวจไม่ใช่ศาลจะได้ไ่สืบคนว่าเออคนยิงทะลุเนี่ยลูกเต่าลาวไทยอ้วนหอมแท่ไหนบ้านเรือนอยู่ที่ใดนี่หน้าที่ของแพทยคือหน้าที่ถอนสองละวางยา ทำาห้งันช right ีวิตคนบวชจะต้องตายทำมวนนายแคทยทิ้งหน้าที่ทิ้งรวมยาและเกี่วิ่งสอบวิ่งจอนไปที่ถามเขาว่าเออคนยิงลูกฟอนมาต้องคนใครเนี่ยมันเป็นใครมาจากไหนคนใครตายไปก่อนปัญหานี้เปนมหาอจินไปเป็นมหาโลกแตกถึงแม่ใครจะรู้ว่าใครเป็นต้นตาที่เราอดสงสัยไม่ได้ตตาที่ต้นตามาจากอะไรแล้วต้นตาต้นตาต้ตอกมาจากไหนศึกษาเป็นไม่ไม่ีที่สินุดเี่ย คือฟ้าเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นสาสนทว่ามิยมจึงได้บัดสวัางต่เทพเจ้าพระเจ้าจ้างหมดเรื่องแต่ตอนจิมไม่ได้คิดแกล้งนะแค่ให้ใจไอ้คุณซังเยเฉลียวบอเองแล้วพระเจ้าแล้วพระเจ้ามาจากไหนตอนนี้นักเวชวิทยาก็บอกเกิดเองถ้าเกิดเองกวระไม่สู้กันละเกิดเองได้เกิดเองได้ผก็ว่าคนเต็มใจมเกิดเองเหมือนกันเกิดเองครับเกิต่มมนกแตเกิดเองถ้าจะาตามแนวแนวเวชวิทยานะเอาว่าเกิดเองและที่นี่ก็อเอาว่าเเองเหมือนกันแต่ถ้าจะเอากันกระชัด เอาเฉพาะกลับนี่พัสจะกลับนี้อย่าไปเอาเต้นตลับเอาเฉพาะต้นกลับมนุษย์ต้นกลับนี้ผมรู้มาจากไหนรูกพรามีบาลีประเทศยืนยันมนุษย์ต้นต้นกลับนี่อ่ะมาจากธรรมโลกมาจากธรรมโลกเป็นคมมาชิมม้วนดินคชั่าโลกนี้เป็นหมอกเคลยใช่ไหมความหมกหมอกเคงเยินลงเยินลงไอ้ดินละอุไอ้ดินเนี่ยละอุขึ้นโลกนี้น่ะในอากาศนี้ี่อาหารอยู่ทีตมินนะอากาศเนี่ย ขนาดไอ้ระล่างวิตามินก็ไม่หมดเลยอาาศมี่ชื้อโรไี่วิตามมันมเนหมดนักเลียัตในเยอรมันหลังสงครามพยายามจับวิตามินในอากาศมากินเข้าองรูสียืนขาอยู่กินวาตาตัวอีกเราจะไดูถรูสีแม่อใดรูสีกินวาตาตัอีกมัย้ยไงห า, ารูกไหววะรูสีถ้าจะแสบจิตเป็นรบ้าไปจับวิตามินวิจัยวิตามินในอากาศ ล, ล, ลงกระเพาะเพราะนั้นตัวรูสีเนี่ยจึงกินไมเป็นโรคขาดอาหารเพราะกินวิตามินในอากาศ วิทยาศาสตร์นะคนเขาพิจารณาศาสจริงๆมีทั้งโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตนะธาตุคาร์าบอนีหมดนีน่มีตัมึงแททเลยเขาจะมีถึงแทกัาาบ A อทึนแททมีทั้งในอากาศเขาบอกว่าวิธีเอาพิตามินจากอากาศเนีย่ยคือเอาแสงเอาแสงเองอยู่ในแสงการการองจับจแสงออกมามาเป็นรูปคล้ายๆหยดน้กแล้วกินเข้าไปหยดเดียวเนี่ยอิ่มไปหลายวันดีๆ ว, ว่างันนี่เขาลักษณะอาหารพิษนะ เทวดาเนี่ยไป น, นั่นจะวิวผมรู้บอกว่าวิทยาศาสตร์ยิ่งจะเรียนยิ่ที่สูจข้อเท็จจริงในประวัติาศาสตร์ในในพศาสนายิ่งขึง้นเข้าสมองอาหารทิรย์นะอย่างเทวดาอะไรที่พิเยโรเนี่ยที่เราต้องหุงอาหารอย่างเรานะ่ะเราต้มงจากตลาดอย่างเรามนาะี่ท่านกินทริปอยากกินก็อ้าปากครับเดียวก็อิ่มอย่างนี้เองกินอย่างนี้เองวิถีมันมีธรรมชาติอย่างนี้เองแหละไม่ใช่อื่นไกลเลยเออเพราะฉะนั้นมนุษย์ในต้นสมถมะกัปนี้ไม่ได้มาจากไหนหรอกมาจากพิเยโลกมถมากัปเนี่ย เป็นภูมิกิ่นมวลดินหอมกลุ่มขึ้นไปกลิ่นมวนดินหอมสกมขึ้นไปในธรรมโลกแล้วคมนั่นน่ะเป็นกินน้วนดินนี้แล้วก็ลงมากิ่นมวนดินกินแล้วรัศมีก็เสื่อมคือพุ่งง่ายว่าเกิดเกิดราคะเกิดปัญหาติดติดในรถเป็นราเบปัญหาไปธรรมโลกไปได้เลยเป็นปฐมมนุษย์อยู่สู่ทันในโลกมนุษย์นี้เลยเพราะะัไไน้นถ้าจะถามอย่างใกล้เข้ามาว่าปฐมมนุษย์หรือปฐมกาศนี้มาจากไหนก็ตอบได้ว่ามาจากธรรมโลก มาจากโลกอื่นโ อ, อ้เยซูมาจากโลกอื่นลงมาในโลกนี้อ่ uh. ชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนอยู่เมืองไหนชื่อก็จังหวัดนั้นไม่รู้แต่ว่าท่านแค่ท้มาชมพูทวีปสถานที่ตั้งมันที่ชุมพูทวีปชุมพูทวีปนี้มันจะอินเดียได้กล่ามาแล้วคือคือดวยชนุษเหล่านี้แหละทั้งโลกที่อย่ทชมพูทวีปอาจารย์ขอขออนุญาตหน่อยจะแหมปัญหานี้สงสัยอยู่นานแล้วครับ หรือว่าศาสนาเนี่ยอาตมาต่อเคยได้ยินเขาว่าแปลว่าคําสั่งสอนใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับศาสนาเนี่ยแปลว่าคําสั่งสอนทีนี้ไอ้ศาสนาที่เบูชาไฟบูชาอะไรอะไรฉันนั่นล่ะจะสั่งสอนก็ได้ยังไงไม่ไม่ไม่ใช่ครับปกติคือว่าคำว่าศาสนาที่เป็นภาษาบาลีแปลว่าคําสั่งสอนใหญ่หนึ่งแปลว่าข้อปฏิบัติในหนึ่งศาสนานะฮะแปลว่าข้อปฏิบัติในหนึ่งแปลว่าข้อ ข้อจะข้อทำซึ่งสามารถชาระกิเลสอีกในหนึ่งแต่ได้สามนายยะส่วนศาสนาบูชาไฟบูชาลิงนั่นน่ะเขาเรียกว่าลิเรียนลิเลริเรียนภาษาคั่งเขาเรียกลิเรียนซึ่งพอมาแปลงแปลงเป็นไทยแล้วคนไทยลาคนแต่งคนที่บรรยกาศศาสนามาแปลคำว่าลิเรียนมันถึงยุ่งงี้ความจริงพวกบูชาลิงบูชาไฟน่ะเป็นลิเรียนเราวมาถือว่าเป็นศาสนา แม้แต่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนี่เราก็ไม่ถือว่าเป็นศาสนาเราถือว่าเป็นลิเบเรียนลิเบเรีเพราะฉะนั้นใครมาบอกว่าพุทธศาสนาไี่ใช่ลิเบเรียนเราบอกขอบคุณถูกแล้วศาสนาพุทธเป็นศาสนาในตัวของศาสนาเองตอนนี้เนื่องจากว่าคําว่าภาษาไทยมาแปลลิเบเรียนเป็นศาสนาเสร็จแล้วมันก็เลยโกนเตอย่างที่ว่าอย่างที่อย่างที่ท่านสงสัยมีอะไรครับว่าทำไมถึงในศาสนาบูชาไปกลายเป็นศาสนาขึ้นมาได้แต่ความหมายคำว่าศาสนาต้องจํากัดอย่างนี้หนึ่งเป็นคำสั่งสอนสองสามารถชำระล้างกิเลส ี่สามเป็นข้อปฏิบัติเพื่อลดทุนกิเลสซึงเปรักศาสน า, สาศาสนาแท้บุคคลผู้นับถือาศาสนาอื่นบอกบอกจากบอกนอกจากาศาสนาพุทธแล้วจะจัดเขาเหล่านั้นเป็นจำพวกมิจฉาทิฐิได้ไหมถ้าเช่นนั้นก็เรียกว่าเขาตายแล้วต้องสกก ร, รกทั้งหมดเพราะเห็นผิดจากทางพุทธศาสนาหรืออย่างไรสองจับปะโคลาหนพุทธโคลาหน และจกักรวรรดิโกราหนที่กล่าวว่าในตำนานบางเรื่องสมัยถึงอะไรอข้อแรกนี่นะพุทธศาสนานี่น่ะแตกจากศาสนาอื่นหมดถ้าศาสนาอืน่นใช่ครับใช่ถ้าแกไ ม, ไม่นับถือศาสนาของท่านถึงแม้แต่จะเป็นคนดีทำดีคิดดีพูดดีแกเป็น น, นิชาริสันต์โลกพระเจ้าไอ้ฟังเสียงไม่ฟังแต่กระเพื่ามจะาอกฉไม่เคยทำผิดนี่ฉันคิดดีพูดดีทำดีแต่ทำผิดอยู่ข้อหนึ่งคือแกไม่นับถือฉันนี่จ ะ, ะเป็นความผิดของแต่ ข้อที่แกไม่นับถือฉันเนี่ยผิดมหันต์ละเพราะนั้นตายนะที่แกจะไปเรียนมาลบทางดีทางอื่นไม่ดีทางัต่คณะเทวานิยมเป็นอย่างนั้นนะแต่พุทธของเราน่ะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเราไม่ถือเขาเป็นมิจาทิฐิถ้าตราบใดเขาเชื่อเรื่องกรรมกดเขาคนแห่งกรรมไม่เป็นเป็นกรรมวาจีวิริยะวาทีแล้วไม่เป็นมิจฉาทิฐิไม่เป็นถึงแม้ไม่นับถือพระนัตนาตรายก็จริง แต่ถ้าเป็นกรรมวาสีวิริยะวาสีเชื่อว่าผลของกรรมดีมีผลของกรรมชั่วมีแล้วไม่ทำกรรมชั่วทําแต่กรรมดีพุทธศาสนาไม่ถือว่าคนนั้นเป็นนิชาพิสิิแม่ไม่ได้เป็นชาวพุธโปรดรับรู้ว่าดี๋ยวข้อนี้สำคัญมากเราจะไปเผยแผ่เราเขาถามว่าพุทธศาสนาดีกว่าศาสนาฝรังอย่างไรเรายกข้อนี้มาอ้างได้เลยบอกว่ศาสนาพุทธนาเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพเราตัดสินคนว่าคนดีขึ้นคนชั่วด้วยการกระทำไม่ใช่ตัดสินเขาที่วัณณะหรือที่ศาสนาที่เขารับถือ ถึงแม้ท่านจะเป็นนักศึกษาขาเราเลยแต่ถ้าท่านเป็นสาธุชนเชื่อเวรเชื่อกำแล้วสวรรค์ท่านก็ได้ไปเพราะที่ท่านจะไปสวรรค์น่ะมาเฉพาะคุรุเจ้าขุดท่านขึ้นเนี่ท่านทหารก็ทาตัวท่านขึ้นไปเองคือทากรรมดีในขณะเดียวกันมิถันตกกระลุรุเจ้าก็เลยมาขุดท่านขุดขาท่านลงมาในนรกท่านทหารที่ทําตัวท่านเองลงในนรกคือทากรรมชั่วเพราะั้นเราจะหาศาสนาที่ให้ความยุติธรรมแก่คนได้จากไหนนอกจากในพิธศาสนานี่อันนี้เป็นเป็นข้อสำคัญ ผู้นี้อาจารพูดเลยบอกพิสูจทั้งหลายปาคดาสุเนศสาคดาอรกะสาคดาเป็นสาคดาสอพุทธการท่านเหล่านี้เป็นกรรมวาทีวิริยะวาทีใครไปทําอันตรายท่านเหล่านี้นะตายแล้วก็ไปเอาเวที A G, เป็นที่ไปจะป่วยกล่าวไปยังจะมาทําลหยท่านอะไรให้ตายจะป่วยกล่าวไป ย, ย้ายว่าอย่างนี้นี่ก็ยอมรับแล้วว่าอย่างว่าแต่ประทำอันตรายคนมีศีลในสัตมหาพุทธเลยแมนะ้แต่ไปทำอันตรายคนมีศีลมีธรรม นอกศาสนาะก็ต้องไปสมุนวิบากกันตามสมควรแก่ทิฐานุคติของเขาเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธยุติธรรมที่สุดแล้วตัดสินคนด้วยกรรมไม่ใช่ด้วยทิฏฐิด้วยกรรมด้วยกรรมกระทํำเขานะคราวนี้นี่มีประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งในประเด็นในข้อที่ว่าจะปฏิบัติธรรมเพื่อรู้นิพพานอันนี้อันนี้สําคัญอันนี้ฟังให้ดีนะอันเนี้ยถ้าในกรณีที่บอกว่าคนนักขื้อศักด์น้าอื่นไปนิพพานได้ไหมแล้วคนนักขื้อศากด์น้าอื่นเห็นว่า พระวันพระเจ้าเข า, ปานนเป็นิพานเป็นวิชาทิฏฐิไหมถ้าสร้างป <obi. S 1> ัญหาทั้งนี้แล้วก็ตอบได้เลยเป็นวิชาทิฏฐิถ้าเห็นว่าพระวันปนมิพานและเป็นวิชาทิฏฐิอ่าอันนี้เป็ น, ป น, ปนแท้ถ้าเห็นว่าจะไปมิพานได้โดยวิธีการ อ, อ, อ่อนวอมพระเจ้ า, อ, อ, อ, าอย่างนี้ก็เป็นวิชาทิฏฐิในขัศนะของพุทธศาสนานะเพราะาพุทธศาสนาถือว่าอื่นจากมักในองค์แปดแล้วไม่มีทางไปิพานได้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิในองค์มากบนหัวหน้าคือเห็นปัญญาเห็นอริยสัจสติ ถึงจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิถึงจะเป็นสังมาทิฏฐิแท้ต้องว่าแยกประเด็นกันว่ า, าเ้าถามว่าจะขึ้นสวรรค์หรลงนรกนะทำไมนักขื้อขุดแล้วจะตกนรกมั้ยมันนักขื้อุดแล้วจะจะได้ไปสวรรค์มั้ยเราตอบเขาไปเลยบอกได้ไปสิแต่ไปหรือไม่ไปนะ่ะอยู่ที่กรรมแกกระหกะักอะกรรมดีกรรมชั่วแกเชื่อหรือเปล่าแล้วแกทำดีหรือเปล่าถ้าทดีแล้วก็แม้ไม่นักขื้อขุดก็ไปสวรรค์วะระวังฮัลนหล อัตลักษณ์โหที่ขุ่ถามมาว่านโยบายการเผยแพร่ศาสนาแต่ละศาสนานั้นมีแนวทางแตกต่างกันเช่นศาสนาพุทธศาสนาคิดแต่อิสลามโดยเฉพาะอิสลามใช้อำนาจกดขี่จนกระทั่งทุกศาสนาถูกทำลายจากประเทศอินเดียจนหมดเรื่องนี้มีความรู้สึกอย่างไรเพรองเรามีวิธีป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้ศาสนาเป็นเครื่องมืออำนกกาจเมืองเพราะเคยมีมาแล้วในอดีตแต่ศาสนาทุกศาสนาใน โดยมากมักเป็นเครื่องมือในการเมืองเกือพุกชาติขอให้ช่วยให้ความเห็นด้วยอสำหรับข้อแรกนี่นะก็ความเห็นที่แล้วมาก็ไม่มีอะไรก็เป็นตัวอย่างให้ท้าพทุกระวังตัวผมถึงชอบใจภาสิตของศาสตาในศาสนาซิกของแข่เขา้าเลพวกซิกเขมีคำสุภาษิตที่น่าคิดนะเขาบอกว่าเราจะากให้ปลอดภัยให้กับผู้ใด ในขณะเดียวกันก็จะไม่ยอมรับภัยจากผู้ใดนี่เป็นลักษณะแท้เพราะนั้นชาวพุทธเราคูรยาเอาสภาวิตของศาสนาติไัยในนโยบายป้องกันศาสนาว่าในขณะเดียวกันในการเผยแพร่ศาสนาเหล่านั้นเราจะไม่มีการขุดขีดศาสนาอื่นเขาไม่ไปรุกการศาสนาอื่นเขานโยบายอันนี้ไม่เห็นนโยบายใหม่เป็นนโยบายที่พระพุทธเจ้าท่านใช้มั่งในครั้งสูงองค์แล้วนี่เขาอนุปวาโตออนลูปคาโต้ไงล่ะ วันมาข้าบุชาจะรงกับนิบาตนะ้าพุทธิจาระชุมฆาหรคันสองไร่กว่ารูปเนี่ยประชุมเพื่อจะทข้อปลุกปงในนโยบายเผยแผ่ศาสนาประชุมน่หนดนโยบายเผยแผ่ศาสนาให้ฟังว่าในการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยเราต้องทังรณนะต้องใช้ขันศีจะไม่กล่าวไล่พระิตในศาสนาพุทธจะไม่กล่าวไา่คนอื่นเขานี่จะไม่เบียบเบียคนอื่นเขาเป็นการปลุกปงกำหนดนโยบายการเผยแผ่ศาสนานี่ยข้าพระเือศาสนาพุทธเผยแผ่ไป้ที่ไหนไม่มีการลุกลาม ศาสนาอื่นที่ไหนในนี้มีแต่ให้ความรุ่มเย็นเป็นสุกก็มีการที่จะร่วมมือกับศาสนาพ้อพิ่นกระทั่ ง, งกลมกลืนกับศาสนาเดียวกันไปได้เลยุยกตัวอย่างเช่นในเมืองจีนในญี่ปุ่นนี้เนี่ยศาสนาพุ้ธที่ทาในเมืงองจีนก็กลมกลืนกับศาสนาผงจื๊อศาสนาเตา๋ากระทั่งคนจีนเลยนี้แยกไปออกมักถือพรอมกันทั้งศาสานาไหว้ทั้งพระพุทไหว้ทั้งขงจื๊อไหว้ทั้งเตียนไหวทั้งใหหนหมดไหวเจ้าไงล่ะเนี่ยเนี่ย แล้วก็ในพวกญี่ปุนก็แยกชิ้นตูกับพุ้นไปออกนับถือตุนเปนกันทั้งนี้เพราะว่าพุทธศาสนาไม่มีนโยบายลูกกลางไปทึงไหนมีแต่จะทำความอรีอลอรอบกลมกลมมนืนกันไปอุปมาลูกกน้าไหลไปก็จะให้ความร่มเย็นแล้วก็ปลับตัวเองให้เข้ากับภาชนะสี่ใจพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราเอาถังมาใสานา่นไไ้ำน้าก็เป็นลูกถังเอาโอ่งมาใสานา่นไไ้ํำน้าก็เป็นลูกโองแล้วแต่แล้วแต่น้ำมันจะไหลหมเข้าในผ้าชนะอะไรกลมกลืนกันได้หมดนี่เป็นลักษณะพุทศาสนา เราเป็นลูกศิษย์เก็ถือนโยบายนั้นตามจากสภ า, าสมามาอนุประคาตัวลูกบาบาโบไม่มีการกล่าวล่าม่มีการเบียบเบียนกันในหมู่มนุษย์นะแล้วก็ในคณะเดียวกันเราก็ต้องป้องกันให้ศาคนาเราถูกพวกศาสนาอื่นหรือลที่อื่นเขาเบียเบเปรียนอันนี้สำคัญมากหาทางป้องกันวิธีป้องกันก็คือว่าตัวเราเผยแผ่เองเนี่ยจะต้องศึกษาพุทธศาสนาของแท้จกนกระทั่งมั่นใจตัวเราเองว่าอิทธิพลอะไรในโลกจะมาล้างสมองให้เรา ขาดตะลุกตะพดหน้าใครไม่ได้ขั้นนี้สําคัญถ้าเรายังโลลืมไม่มั่นคงในธรรมะในศาสนาตัวเองยังเชื่อครึ้นไม่เชื่อขึ้นไม่รู้ภาดหมามีจริงไหมไม่รู้ว่าเพราะจะเจ้าหันมามีจริงหรือไม่มีอย่างนี้แล้วอย่าไปเผยแผ่ดีกวะเพราะว่าแสดงว่าจิตใจเราไม่มั่นคงแล้วถ้าไปเจออุปสรรคหรือถูกอุดขีอะไรเข้าเราพ่อไม่จะล้างสมองพ่อที่จะเปลี่ยนทิฏฐิพ่อไม่จะพอเยอะต่อพระหน้ารายอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่าไปนั่งเผยแผ่ที่ดีแล้ว เราต้องมั่นคงอะไรติกอะไรสงสัยกับปัญหาในชาตินาทุก้จึงปัญหาเวียนว่ายตายเกิดปัญหาหรือมีพานซึ่งเรายังสงสัยอยู่ต้องฟัดกันให้หมดไปหมดตุ้งกันเลยให้หายสงสัยหมดเขาต้องมั่นใจว่าเขามาในรูปไหนเราต้องมั่นใจในรูปนั้นว่าเขาจะมาล้างสมองเราไม่ได้อย่างนี้แล้วเมื่อเราไม่ถูกอิทธิพลใดล้างสมองได้เราก็จะมีกําลังใจมีบุ ค, คลิกทัก้ลักษณะมีความเชื่อมั่นพร้อมที่จะไปสั่งสอนอบรมคนอื่นเขา ให้เข so e ้าเชื่อตามที่เราเชื่อก็สิ่งที่เราเชื่อเว่ายังไม่แน่ใจพอเราเชื่อตามเาได้อย่างไรใช่ไหมครับถ้าเราแน่ใจแล้วเราก็เราก็สามารถท่านก็เชื่อตามที่เราเชื่อได้ขอหลักข้อสองน่ยมีวิธีป้องกันแน่สารสนะเป็นเครื่องมือและการเมืองอย่างไรอันนี้ก็อยู่ที่สารสนิยโชนอีกนไหมครับถ้าเรารู้เท่าแล้วเราก็ใครจะมาต้มเราเขาไม่ได้เขาจะมาอ้างว่าเอาสารสนะบังหน้าโดยที่อาวัตถุการเมืองเข้าแทรกเรารู้เท่าแล้วเราก็เห็นว่า คนคนนี้เขาพูดในโลภะหรือพูดในโทสะหรือพูดในโมหะเนี่ยเราเลยละขัตรงจากโมหะใสจับก็แล้วลล แ, แบบอย่างพูดถึงสติภาพผู้รู้คือสติภา พ, พาาทุกคนรอจะให้สติภาพกับโลกแต่ให้คนพูดน่สอนอื่นมันเองก็ไม่มีสติแล้วเพราจมาาานันไมานโลกกดลงอ่อะเพราะนั้นอย่าไปเชื่อเลยคุณนี่ที่เราเชื่อและคือพาราหันเชื่อผมเะครับพาราหันเขานั้นจะนำสติามาให้กับโลกอีกแต่พาราหันแล้วโอ้โหเขทั้งนั้นเลยไม่เชื่อ เพรา ะ, ะนั้นเราข้อนี้แล้วเราสบายใจเราเชื่อแต่แค่พุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระอรหัระสงค์ทั้งพอแลวนอกจากพพุทธพระธรรมพระอหระสง์แล้วใครมูดให้เป็นเทวดามาไปจะเชื่อธรรมทุกขไม่เชื่อบอกว่าเรายอบอกว่าแกยังมีูกเกหลวงอยู่คุะนั้น่ใช่ไม่เชื่อแกยิ่งหญนที่แกฆ่าของช้เพระนั้นเมแก่าขางแล้วคุณนายมีูกเดหคุณนั้นก็พร้อมจะมูที่จะเป็นื่อหนีงเชื่อเลยคนนุณที่เราเชื่อแะคือพระอรหันเชื่อผมเะครับ นั่นยังนำัตว์่ามาให้แต้โลกอัจะอาลัยแล้วโอ้เาทั้งนั้นเลยไม่เชื่อเพราะนั้นเราข้อ น, นี้แล้วเราสบายใจเราเชื่อแต่เขาพูดเชื่อเขาทำเชื่ อ, อเขา อ, อาหายกระสงฆ์ทัพพอและนอกจากพระพูดเขาทำอาลัยกระสงฆ์แล้วใคระำำพูดใครเป็นเทวดามาไม่ก็ไม่เชื่อทำไมถึ ง, มกกองอนนไม่เชื่อแต่ว่าเรายอนบว่าแกยังมีโรตัวหลวงอยู่แค่นั้นแค่ไม่เชื่อแกที่เห็นาแต่าเขาของฉันเพราะนั้นหนูแกฆ่าฉันแลกวคนณในมีโรคตัวหลวงคนนั้นก็ต้องสมมุติจะเป็นรื่อหมูไข่กระดาษฮะ คนนั้นมีสัทาทค์แต่ไม่ได้จะขายอุดมการกินกรนะดาคนนั้นพร้อมขโยจะพูดเถือนผมไม่เถื่อนตัวเองพูดถูกพ้ม่เถื่อเขาขมากของตัวอยากล้อแต่พูดคือพ้นไม่เถื่อประเทศทตัวเพราะนั้นไม่เถื่อต่อเมื่อายแกเป็นหลานเราพูดอลู่สนติฉันจะตอบได้ฉันจะเชื่อล้วพูดอย่างนั้นแล้วเขาถามตัวแล้วท่านเชื่อใครบอคนที่ฉันเชื่อแล้วนี่ไง น, ไ น, นี่ที่เขาดูนี่โอเดียว เป็นนาปากเขาชื่อคันตูนี้พ่อท่านมีกีเรศแล้วเป็นผู้บริสุท์แล้วขี้ไปที่นี่คนอื่นยัไม่เลื่อเนี่เราต้องมั่นใจสร้างประรุงติดแกประพรุง้าสนางเราใหม่คือเด็นั่งตุ้นเราเอาเอกีเดศเข้าวัดิีเดียวอย่าเอาลื่นลื่นวัดลื่นวอะไรีไม่ดีเราถูกเขาโคษณนานนะเข้าเราจะลืมลืมตัวไปนึกว่าเห็นจริงตามเขาเราต้องวัดให้หมอมีพูดนันผู้ใดมีกีเดศอยู่ในใจหรือเปล่าต้องขังนึกขังมันมีนี่ลูกตกหลงต้องมี มันพูดในความโล่ฟังพูดด้วยความโกรธฝังยังนั่นพูดในโมหะเป็นปัจจัยเป็นเชื่ออยู่เพรานะนั้นเมื่อคนที่พูดในโลภโกรธหลงเป็นเชื่อแล้วอย่ามาพูดไปป่วยการเลยปักขับแล้วก็ไม่เชื่อสว่างเขาบอกว่าไม่ได้สิเราต้องเชื่อใครก็ไดคนหนึ่งไม่มันเหมาะลงไปเล่คิดเราจะไม่มีความเชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่สิวนนี้เราเชื่อวีกัท่าภูมิที่ที่พระพุทธเจ้าสรุปท่านภูมินี่แต่ที่เชื่อนี่คนอื่ น, นไม่เชื่อหรอกนี่ เพราะฉะนั้นศาสนาเราเขจะหลุดพ้นจากเครื่องมือนักกันเมืองไปใครจะาพูดทำใเชื่อนั้นอันนี้สาคัญนะครับศาสนาคิตเตียนเขานะ่ะเขาเชื่อแต่พระเจ้าพระเยซูว่าเป็นผู้ไถ่าบาปเขาใครๆพูดเขาไม่เชื่อหมดผู้บาร์หลวงอะ่ะเขาเชื่อแต่พระเยซูจะเป็นผู้ไถ่าบาปปัดใจเลยไปอาจจะละศรัทธาในศ า, านสน า, าเขาเลยอาจจะศัท้าองเขาเของเราลนะของเราจ็มีสดาลนะอาจจะละศัทธาของเขาหนาน to ข้างนะอจะละศรัทธาเพราะว่าเขาปักใจเขายอมไปถ้ามีใครมา จ้างเาล้านหนึ่งบอกว่าพระเยซูไปดีเขาไม่ยอมรับจ้งองผู้บาทหลวงอะ่ะเขาถึงขนาดนั้นอะ่ะคือเขาสามารถอุดลุงมล้างสมองปลูกไปความเชื่อถือความพักดีอย่างดุกันชาวพุทธเรานี่ขาดความพักดีในศาสนาตัวเราถึงถูกเขาขวารออกมากิ่ละประเทศต้องประเทศอ่ะถูกเขาขวามากี่ละหมดเจ๊งออกถูกเขตีตีเจ้งออกที่ละประเทศ้อประเศแต่เวาาลเาเนี่ยผู้ศาสนาเราเนี่ยเพราะอะไรชาวพุทธเราขาดความพักดีในพระพุทธธรรมปรสงค์ ไม่มีความพักดีเชื่อเชื่อตำตาวมาต่อแม่เชื่อมาถืองำตามาแล้วที่จะเกิดความพักดีก่อนหนูต้องรู้คุณค่าของปรินาว่าขริศนาแดียังไงถ้าไม่รู้คุณค่าโดยพักดีก็ไกลล่ะใครเข้าเราไม่รู้คุณค่าของเพชรในมือเราเนี่ยใครมาหลอกว่าเอ้ในมือแกมันไม่แช่เพชรทิ้งไปเถอะนั่งจาขี่ม้าน่ะเอานีดีกว่าเขายิบชิ้นนี้แล้วก่อนนูบอกนี่รู้ว่เพชรเอาไปเถอะไอ้ก่อนนี้ทิ้งไปเราไม่รู้คุณค่าของเพชรเราทิ้ง แต่ถ้าเราคุณมค่าเขาใครแล้วใครอย่ามาลองอยมาตีกินเลยให้ใครอินมาขีวู้ใดนก็ไม่ยอมิ้งแค่เศนี้ะฉันรู้คุณค่าแล้วเราจำเราไว้ยิ่งแน่นยิ่งขึ้นรู้เห้จะมาทาเรรื่องยิ่งกลับมายิ่งน่ตอนี้ชาวพวกเราไมอย่างนั้นเอนะคุณน่าไม่รู้คุณค่าศาสนาพุทมีดีอย่างไรไม่รู้เพาาสนาพุดเรากว้างใหญ่ไพฝานเหลือเกินเรืองั้ตลอดชาติเนี้ไม่จับหมดนี่ไม่มีศาสนคลิปนังสืสองเล่มจบแล้วอานอ่านงวันก็จบ วันนึงอนมคนทตเมนตพรุ่งนี้อ่านคูนทสตเนอวันจบหลักศาสนาบริบูรณ์แล้วไม่มีอะไรศึกษาแล้วเอาเอาหลักศาสนาเข้าในกระเป๋ากดอย่างไรที่มีเงิสมุดเล็กๆเาก็บบุ๊กใ่เข้าไปเขาผู้ศาสนาหนักขมี4ี่พันเขากุกไงอ่านสวันไงตีอ่านจบอ่านอัลกต์ดีกาด้วยอันะกองพิเศษตลอดาทนจบอ่านหใหญ่นิยามด้วยเกิดมาอห้าทนิยามจบไหมทำกำารมากมายแล้วเกิดเอ เพราะฉะนั้นเน่ยมันรู้งล้ำบาก็เราทําังไงเร่องสรุปสาระฐานต้องขังลักษณะวิธีสรุปาาสาระฐานต้องขังลัาสนาเนี่ยก็คือว่าต้องปลุกใจให้เกิดจามพักดีต่อพ้าน้าไปสร้างจามพักดีไม่เชื่อใครเว้นแต่เชื่อพระพุทธพระพุทถู ก, กเชื่อเชื่อไปเจอพระพูทไม่เชื่อถ้าร้านพูกเชื่อเชื่ออื่นแต่พาร้านพูดไม่เชื่อต้องพูดอย่างนี้แล้วเราปัดใจอย่างนี้แล้วพอแล้วตัดนะทุกเราไม่เป็นเครื่องมือไข่สําหรับข้อนี้นะคร นักศึกษาเวสิโลหุติถามมาว่ า, าศาสนาสิงห์ติดเคยขัดกับาศาสนาพุทธไหมอาตมาเคยถูกฝูกศาสนาติดนี่มุนไปบ้างและเห็นเขาใส่บาตทุกเ้าทั้งที่เขาก็เคร่งในาศาสนาเขามากเข้มฟังสวดมนต์ทุกวันตอนเช้าเจอพระก็ไหว้ด้วยแต่ว่ า, าศาสนาคิดกับแอนตี้จิงทราบว่าเข้ากันอย่างได้อย่างราไรเหตุใดจึงขัดกันาศาสนาติดนี่นะ ว่าถึงหลักการาศาสนาก็ขัดกันในเรื่องพระเจ้าพุทธเราไม่มีพระเจ้าเขามีพระเจ้าขัดกันในเรื่องว่าเขามีอาตมันพุทธเราไป็นอนัตตาปฏิเสธอาตมันเข้ากันได้ในข้อที่ว่าพุทธกับเขาต่างก็อเกิดในชุมภูทวีตเดียกัน ท, ทั้งข้าติดภูและมีความรู้สึกเป็นลูกบ้านเดียวกันนะเข้ากันได้ลูกบ้านเดียวกันแล้วก็ทั้งเขาแต่เราก็มีศครูผู้เดียวกันคือผู้คริสเตียนก็อิสลาม เขาขับูงอิสราอลทลายมาซะอย่างแย่พกกุกัฝูงขึ้นตีนอิสรามทําำลายมาซะอย่างแย่เนี่ยตกลว่าเขาสวยสุดสว้สทุกกลุ่มทั้งเฮาเดียวกันม า, ามคามหินบุกหินใจมันก็มีมากทั้งเอาเดียวกันน่ะพุทธกติกอ่ะที่พุกธิกกทำมุนตักมาตะว้าหนาเขาเม่ถือผ้าเปนพัคกีเนียรากเขาถือว่าเป็นการทาทานตามหน้าที่ในศานาเขาเป็ญอยากไว้ให้ทาทานเนี่ยเขาไม่ไถือว่าพระเป็นพัคกีเนียรากเขานะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเพียง บุญญาธิการธรรมดาเท่านั้นเองแล้วก็ที่เขาไห้พระก็ถือว่าเป็นการไม่ใช่ว่าอย่างเป็นไหวอย่างทักิเนียไม่ใช่ไหวไม่ได้ว่าอย่างเป็นสธารณะไม่ใช่พูดง่ายๆว่าอย่างเราไหว้ผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าเท่านั้นเองทำเรียนอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามเพราะว่าศาสนาที่เกิดในอินเดียแล้วก่อนทีหนุกเขิใจกันมากกว่าอย่างฮินดูพูดกับติกเนี่ยไปต้งเขาเดียวกันเราเคยล่กชะตาจำมาเดียกันเขินหนุกเขิใจกันดีตัวสาธารณะขึ้นก่นแน่นอนละไอรศัตรูเขของพูดแน่ เพาะว่าศัพนนี้กําลังลุกลามศัพท์นักนพุทธทั้งในที่แจ้งที่รับไปเรื่อยๆทุกคนทุกแห่งวางสายเฮ้ยแฉหมดอันนี้ก็ศัพท์ที่จะเรีนไหนศัพท์พวกเกิดเตือนหนักอัน น, ะนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วท่านครับคัมประ์ที่มีอยู่บางคนในจังหวัดของอัตมากล่าวว่าถ้าพุทธมีควางมงงานในเรื่องนมาตการอีกอย่างหนึ่งคือไหว้หยิบไหว้ปูน ว่อเหลืองเราจะแก้เขาอย่างไร้อนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยต้อถามาเยแกว่ายกังเขนล่ะกังเขนทำได้อะไรถามออ๊ไม่กังเขนทำอะไรแก้แขกังเขที่คอในเดือนจ็ต้ลูกขยิดูนีแต่ขาพื้นี่ปิไปขอลับน่าอจจาระน่ารื้อกึงว่าคอมาณนี้น่ะแกจะกราบไหว้จุดนี้นะกันเขไม่จุเกยาแเขาวีมานอะไรทาได้อะไรอีกนั้นน่ะออแกเขขายเขาบ้างสิทำดีมากก็มีทาดีผิดก็มีทำดีลาก็มีไม่กังเขนที่แว่ายกราบน่ะคอ จะกลับไปทาไมิอีกเ้าไปเลยจะกลัวอะไรขับขัหาต่อนี่หรือ่รืองที่งเห็ น, นด้สาสนาที่มีมมมลูกลกขันบน่ะคือขไ ม, ม่ตล้นอนั้นมีูกขันก ด, ดแล้ ว, ว่าให้พุทธจะมด้ิไหวอีก้บกุลนี่แล้ ว, ว่าพุะคุณหนัล่ะถ้าเราไปไหวอีกใบกุลเราก็รู้ิเราไวก็เลยได้แค่อีกบุง ในรัชธนีเป็นรัชของคุณจท่านคุณเป็นเจ้าของที่มีปัญญาซึ่มีสุธีคุณกรลยาคุณไหวคุณาอันนี้ในราชสาสุกังจะสารลเบิุนได้อีกหนึงางเลยนะใจรมาลึกสึงุทธคุณอมกุลคุณนี่สิ่งนี้เป็นเพียงแต่เืจิตใจให้ลึกถึงคุณท่านคุนี้เท่านั้นว่าไดติดแค่รว่อันนี้ถ้ายางลก็อถีบคุณข้าทิ้นได้แล้วคุณข้าเขารู้ตัวไหมคุณ่ามีอะไรแต่เป็นรัชให้ข้ามีอะไรกันง เราคงชาตแกชาตหลังเจ้าองขึ้จะฝาสนามาอะไรใครอยากอยิบองชาตจะทำไใจเจ็ดล้อหรอทีการดูหมิ่นชาติล่ะคง้าติเขาดูชา น, นะสีมาบา ล, ม ล, าลาาบ า, ลายเรื่องอะไรล่ะอ่าราย่อากก็บักคือเราเขารุกคงชาติเป็นพิธีรัของชาติขั้นใดเราไหวรู้เขาเลิกก็เป็พิธีรักของพระพุทธเจ้าขั้นาานั้นแล้วแกเป็นอะไรกเถอะนอเายอปากไงั้นเนี่ยข้อนี้แนะฮะ หมายเลยแปบดบสิบเอ็ดถามมาว่าพระเที่วแกเมงลังกาถูกพวกมันคั บ, คบตําหวานไปหมดแล้วแล้วส่ยนที่มีปลาตดอยู่เดี๋ยวนี้ที่มึงลังกาเขาจำลองขึ้นหรือขอให้แก่ขอดสงสสยด้วยของจริงครับไม่ใชของจำลองไอ้ขอไอ้องไอ้ที่ถูกตํามไปเนี่ยของเต่พระเชี่วแก่มีหลายองค์ชาวพุทธลังก า, าทะลุภยมีมาเขาทราบพระเีืยวแก่กลองไม่จำลองหลายองหมกันองจริง่างนี้ในทุกต้อนได้ในมาลายาชนบทภาคกลางเของประเทศลังกา โอเค า, าุกพราตอนนีมันเอาไปมันไม่ใช่ของจริงมาเอาไปทำเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่อยู่ในเกาะลังกาเป็นของจริงท่านท่านมีผู้หนึ่งถามมาบอกว่าทางาศาสนาคริสสอนว่าพระผู้เป็นเจ้าช่วยเหลือผู้นับถือเช่นเด็กว่้ยน้าไม่เป็นาศาสนาคริสช่วยเด็กที่เด็กว่าไม่เป็นาศาสนาพุดธอนให้ช่วยตัวเองเด็กพุดจะไม่ตกน้ําตายหรือเราจะแก้เขาอย่างไราศาสนาคริสน่ะ่ะอาจริงหรือว่าช่วยพระเจ้าช่วยเป็นสิ่งอย่างจริงหรือต อาติเตของฝรั่งเองก็มีผูดแล้วไม่ใช่หรือว่าเจ้าช่วยตัวคือเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยตัวเจ้าเองในภายหลังหมายคามว่าแม่คนจะนับถือพระเจ้าอ่อนเงินพระเจ้าให้ช่วยอย่ังไม่ไปช่วยตัวเองก่อนคือช่วยตัวเองเพรเป็นคนมีเรื่องฟ้ในพระเจ้าก่อนใช่หรือไม่พระเจ้าพะงาว่าคือจริงพระเจ้าช่วยแล้วแต่พระเจ้าเปนคนเดิงใจทุกคนที่นันไม่นับถือพระองค์เห็นนับถือพระองค์ขึ้นมาในพันษีล่ะถ้ามีฤทธิ์อํานาจจริงนั่นลวก่อนี่แสดงว่ายังต้องอาศัยการเผอแผ่การโตประการบ้าการเกลี้ยกล่อมเอาวัตถุมาล่อ คนดึงมาเลื่อนสายแล้วคนดีงมาเลื่อนสายน่ะอย่างนั้นเขาต้องตั้งความเลื่อนสายว่าฉันจะเลื่อนสายพระเจ้าละแล้วฉันจะลงมืออ่อนอยอร์สาดภาบาปนี่เขาช่วยตัวเขาเองแล้วอัตตายาตุนานอัตโมนาถูาแล้วตอนนี้ต้องช่วยตัวเองคือช่วยตัวเองให้ที่ศาสนาเก่ามาเป็นหนังสือศาสนาใหม่ช่วยตัวเองในการที่จะลงมือคุกขาย อ, อ, อยาา่อนยอร์พระเจ้าอ่แต่ก่อนเมื่อ อ, อ, อ่อร์พระเจ้าแลาา้วกระเจ้าคือช่วยเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าศาสนาคริสต์น่ะช่วยเด็กตกหน้า ตัวคณะพุทธให้ช่วยตัวเองเด็กตกน้ำก็ต้องช่วยตัวเองช่วยไม่ได้ไม่จรงงิงตาคณะพุทธสองพุทธางศาสนถามนี่เอาไว้ทำไมแต่ว่าอะไรพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของของเราก็าทำเป็นที่พึ่งปรสงเป็นที่พึง่งที่พึ่งอย่างนี้หมายความว่าเป็นที่พึ่งที่จะชี้ทางคนทุกข์ให้กับเราเปรียบเหมือนเราเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนนะอนะเด็กกินตอบไล่ตอบไล่ได้เนี่ยการที่เด็กตอบไล่ ตอบไล่เน่ยเพราะครูบอกข้อสอบให้อย่างนั้นหรือหรือครูเขียนคําคําตอบในข้อสอบแทนความก็จะปรากฏว่าเด็กนั้นต้องอาศัยกําลังกติญาและจํามทรงจำที่ตัวเรียนมาในการตอบไล่แต่ว่าความรู้ที่เด็กมีหนามาจากใครจากครูใช่ไหมถ้าครูไม่สอนไม่บอกแล้วเด็กมันจะรู้ขึ้นมานขึ้นกระทั่งตอบไล่ได้จริงเป็นไปไม่ได้เขาพิธธจารณาพระพุทธธรรมสงเหมือนครูตอนตอนนี้เราไม่รู้อะไรมาก่อนเลยต้องอาศัยท่าน อาศัพระพุทธงมาสงงครูนี่แหละมาสอนในเราอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอาศัยพระพุทธองคมาสงทั้งนั้นเราถึงจะมีความรู้เชื่อตัวเราเองได้ใช่ไหมถ้าไม่อาศัยพระตนรัยแล้วเราที่นันจะมีความรู้เชื่อตัวเราเองเหมือนเด็กนักเรียนเนี่ยถ้าไม่เข้าโรงเรียนขึ้นความรู้ครูบาอาจารย์ในสุไทรทอดแล้วที่นั้นจะสอบเป็นปริญญาดีกรีเป็นด็อกเตอร์เป็นปุโรหเตออกมานี่ต่อแป้ว่าพระรัตนาตรยน่ะเป็นที่ขึ้นชาวพุทธเต็มที่แล้ว แต่ในขั้นที่ในขั้นท้ายภาคภกเราก็ต้องพึ่งตัวเองคือไม้ปลอมในขั้นจะทนทุกขั้นถึงนไม่ผานต้องก่อยวางนี่ไม่เด็กผู้พิชิเจ้าไม่ได้ขอทิ้งเราไปตามเรากระทำวินาทีสุดท้ายที่เร า, ร า, ารบรรลุอรหันตผลไปตามเรามาเรืยตอนนี้พระเจ้าของขเขาก็าอ้างว่าเด็กตกน้าแล้วพระเจ้าช่วยทุกคราวข้าเป็นเราเลยใหญ่ใหญ่ไรดีคือเป็นเด็กที่มีคู้ใหญ่สอนกระทั่งเราไหวน้ําแข็งได้น้ําเต็งช่วยตัวเองเราดีหรือว่า เ้มีคนสอนว่ายน้ำเราก็เหมือนนั่นแหเรียนเราหวังเผื่อว่าเราตกน้ำที่รก็มีคนคอยช่วยเราทุกครั้งในกรณีสองรานี้ใครง่ง่ใครฉลาดแต่ดอนถามแบนี้กับเรแล้วกใครมีคนงง่ า, ยยคาใครเป็นคนฉลาดเอาละมีครูคนหนึ่งครูอสอนว่ายน้ำบอก่งมาสอนตอนนะสอนอนว่ายน้ำวันนี้จะว่ายน้ำเคยตัวเองมาตลชีวิตมีน้ำส้ำซูเกะเองอาจจะมีวิธีจากคนอื่นช่วยคนอื่นโดยเราตกน้ำได้ด้วยกับคู่อีกคนหนึ่งมากว่าฉันไม่สอนแต่เรวิธีว่ายน้ำฉันมาฝึกขาดเฉพาะโดัน แต่ว่าตาศกน้ำที่ราจะคอยสกุลหนุกเวกี่ท่านกับเรากันแต่ถ้านตท่าไม่ได้ยิงคุยไม่ได้วก็ตกน้าตายกล่าวนะอย่างนี้อะเราจะเลือกครูคนไหนท้องคนนี้เราจะเลือกครูคนเดียวเยวิชาข่ายทอดวิชาให้แต่เราจะมาถขายทอดก็ตั้งให้เราเนี่ยว่ายน้ำช่วยตัวเองตัวเองได้เป็นที่คุ้นกับตัวเราเองได้ใช่ไหมเราคงไม่ไปืนเอาไอ้ครูที่เราบอกว่าฉันไม่สอนแกรว่แคร์กน้าเมื่อไรแกสกุลเรียกให้ช่วยกันเล้ากันเราท่านจะเชื่อได้หรือไม่เชื่อไ้หรอจะมาถึงมาทำน้ำไม่ทันน่ะ ท่าไม่รู้หน้าข้อนี้แต่กษัตรก็ล้กันว่าพระเจ้าคือพระเจ้าเดเราเพ่งช่วยาไจอปัญหาหนึ่งอย่างนี้เราะเอาอย่างไหนเราย้อนถามเป็นปฏิกิาิาถามเข้าไปอย่างนี้กแล้วกันเ<ม>ขาพิจเจ้าสอนเราห้รไหวน้าเป็นตามที่พระ อ, องค์สอนเรานี่พระองค์ไม่ได้คือ เ, อเาและถ้าพระองค์ไม่สอนเาจะคืแล้วเราจะไหวเป็นเพราะฉะนั้นชาวพุทธไม่ได้ว่าเลยาชาวพุทธไม่ได้ขาดที่คือพระพุทธจะทามาียงช่วเราอยู่ทุกขณะช่วยทุกขนาดเดย ามีสาสนิษ์บางคนถามว่าก่อนในพุทธศาสนามีกาเนิดใยโอปปาติกาคือเกิดผุดขึ้นพะจ้าของเขามอเกิดขึ้นดยกาเนิดนี้เราจะแก้เขาไวอย่างไรเอเขามาเกิดผุดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นไล้ไม่ไม่มีตนข่คยนะเกิดขึ้นโดยกรรมเลยทำทำกรรมอกุศลกรรมก็เกิดผุดขึ้นเป็นขันระกเป็นเปปอสุตาราเจาของเป็ูประเภทไหนล่ะทำกุศลกรรมจะเป็นเทวดาเป็นรมอปปาติกะนี่เรนนี่กุศกรรมนะลกุศลรกุศลกรรมนี่เป็นเหทเกิดผุดขึ้นอ่า ไอ้เขาว่ากิดผุดขึ้นนะไม่ใช่ว่าไม่เนี้ไม่อาศัยพ่อแม่เกิดนะเองหรอกแต่ต้องอาศัยกรรมเกิดเพราะนั้ น, นพระเจ้าของเขาเนี่ยถึงแม่จะเกิดผุดขึ้นแล้วก็ไม่ล่าจะเป็นพ่อแม่อล้วไม่ถึงละแต่ว่าเกิดจากกรรมอะไรล่ะพระเจ้าทำกรรมอะไรมาถึงเลยเป็นพระเจ้าถามเขาเดินซิว่าพระเจ้ามาเป็นผลม า, มาจากกรรมเป็นเหตมาก่อนสิพ้าพระเจ้าทำกุศลกรรมฐานขอพระเจ้าก็คืออาถรนพ์มาสิเป็นดักมาสิอ า, าชาพระเจ้าทํำกุศลกรรม ก็ตเชิญคุณงศ่ายตามาจรหรือบาอาจารย์าาอาลิตาพ จ, า น, าจาน์อยากจะทราบาบว่า ท, ทํากณสงศ์ประเไหนถามเขดูมันบว่าเกิดไปดื่ีเหลมีขเหตุไม่มีพ่อแ่ท่านนั้นทำนั้นหรอกรา่าเพาว่ามันไม่มมเคยเป็นฆราพิฆาป็นอปจ า, กการิกะในกระเนืีอสื่ออือเดี๋ยวขอขัดจังหวอะอาจารย์กันหน่อยคือปัญหาเนี่ยาตามาสงสยมานานเนี่ยครับคื อ, อในฐานะที่ อาตมาจะต้องออกไปทําการเผยแพร่พระศาสนาเนี่ยสมมุติว่าถ้าไปมีนักเผยแพร่างศาสนาเขาถามขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อถือในพระพุทธเจ้าหรือว่าพระธรรมประสงค์นี่เขาบอกว่าจะมีหลักฐานอะไรที่ท่านเชื่อว่าพุทธเจ้าท่านมีจริงเนี่ยโอ้อลหลักฐานอะไรถามพุทธเจ้ามีจริงไหมครับใช่แล้วกดเอาย่อมถามเข้าว่าแล้วแกมีหลักฐานอะไรที่พระเจ้าของแกมีจรงิง พระเจ้าหัวซางแกน่ะเชวญมาให้อภิญญาให้ดูต่อหน้าได้ไหมถ้าเชิญพระเจ้าจหัวาลงมาดูต่อหน้าได้ฉันจะเปลี่ยนต่อสนาให้เราถามก็แกมีคานอะไรก ค, คือไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าหากว่าเราเขาไม่เขาไม่ให้เราถามแบบนั้นเขาถามชนิดที่เรียกว่าให้เราตอบว่าให้เราเป็นผู้ตอบให้เราเป็นผู้ตอบเราตอบว่าที่เรารู้ว่าพู้ทีเจ้ามีจรงิงเขาทำมาเขาประมงปลากดอยู่เช่นพระไตรปิฎก ตอนนี้ถ้หาว่าเขาจะถามต่อไปอีก itation, ด้วยว่าธรรมะนั้นนักคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าจะแต่งไม่ได้แต่งได้คนที่แต่งธรรมะชนิดนี้ ไ, ได้คนนั้นคือพระพุทธเจ้าแล้วคือถ้าหากว่าคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วแต่งธรรมะไม่ได้ใช <ๆ S 1> <ripped> ่ไหมเราบอกว่าแต่งได้ไงครับแล้วคนที่แต่งธรรมะอย่างนี้คนนั้นคือพระพุทธเจ้า นอกจากพระโครตรธมะเขาเป็นพระเจ้า อ, อีกองหนึงขึ้นมาเปนนน็นผู้แต่งลังนั้นคือผร้างองค์ใหม่ดังนงั้นก็หมายถึงว่ายัางอาจารย์เธอเขียนเนี่ยอาจจะเป็นพระเจ้าเลยองค์หนึ่งอ๋อ<ม>ไม่ได้สิครับถ้าผมจะแต่งธรรมะได้เนะ่ยผมต้องลอกฟังง่ายๆว่าลอกน้ําลายของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้แต่งองค์แรกเน่ะมาเขียนนี่อผมไม่มีปัญญาที่ปัญญาอัจริยะขึ้นได้หรือมักแต่ขึ้นได้นี่ที่เรารูกอัจฉริยะมักแต่สามารถแต่งตำนานธรรมะเรื่องตัวๆน่ะจำน้าลายจนมาินดนักะลราแต่นะครับ ล่อเขาท่านมาจะหักล่ะเขาอกว่าคนคนนั้นเขาบอกไปใช้พุทธเจ้าเลยเขาโครตรมะต้องเป็นคนขนินแล้วอกถูกแล้วสิคนคนที่แต่งนี้แหละคนนั้นแหละเราเรียกว่าพุทธะล่ะเพราะพุทธะคนนั้นที่จะขนินอย่างนี้ได้จะเป็นโคตมะหรือไม่โคตมะก็ะะแล้วแต่คนนั้นที่แต่งธรรมะอย่างนี้ได้คนนั้นคือพุทธะถ้าหาวกว่าศาสนานี่เป็นศาสนาพุทธะคือธรรมะทั้งหมดนี่เป็นเป็นธรรมะที่เป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมด เราไม่ไดึงเราไม่มีปัญญาคนข้างหลังนี่ไม่เห็นมีใครปัญญาเขียนเรื่องอริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาทหรืออภิชาตออกมาได้เลยจําที่ป่ากุฎิเจ้ามาทั้งนั้นแหละก็จะว่าไปแล้วเอามาจำมาขยายเท่านั้นแหละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ต้นกำเนิดธรรมะนีเนะน่เป็นใครล่ะเราย้อนถามว่เป็นใครเขาบอกก็คนน่ะสิไม่ใช่พระโครตรมะแล้วเอาเธอจะเป็นโคตมาหนะ่าพุทเราถือว่าเป็นเพียงสมมติปัญญัาไม่สำคัญหรอกแต่คนที่สามารถเขียนธรรมะอย่างนี้นี่คนนั้นแหะพวกเราถือว่าคนนั้นแหละคือพุทธะ และขันยลีเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็น พ, าาพ ร, ระฏิเสธต่อมาที่พระครูมะก็ช่างเถอะแต่ฉันว่าใครทิ้งธร ร, รมะอย่างนี้ได้คนคนนั้นคือพุทธะที่ฉันเคารพกล้าได้ก็แล้วกันสบายความเพลงเท่านี้เองข่าวว่าผูู้ทีเ่เอาธรรมะนี่เป็นหลักฐานว่าพระพุทธเจ้านีจรงิงครั บ, รบถือนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะแต่งธรรมะได้จะไม่ใช่สบายอาจจะเป็นแบบพระเยซูประัสรูปมีอยู่ครับมีอยู่ครับนี่ดนตี่ทางโบราณคดีสีลาจารุขุดขึ้นมาเออ ถ้าบนมธาตุนิกถาที่ขุดขึ้นมาจากโคตรักรยะวงฝังเอาไว้ที่เมืองกัลปิรพัฒเวลานี้อยู่ที่ภูเขาทองตัวนั้นบรรพฤษดีแหละครับเรื่องถ้าจะมีรพระภาตุที่แท้จริงนะไม่เจ็บพระธาตุหินพระธาตุกรวกอย่างที่อยู่ในกระเป๋าของชาวบ้านนะพระธาตุพระธาตุ ท, าที่แท้จริงที่เรากราบว่ายอยังสนิทใจดีจริงแล้วก่อนในเมืองไทยเราเนี่ยไม่ต้องไปหาอื่นใดที่ไหนเลยเกินไปภูเขาทองทีเดียวอุนนั่นแหละบรมธาตุส่วนนั่น ลัฐบาลอินเดียขุดได้ที่แขวงตาในเมืองกระบิลพัดแล้วก็ขุดพบในสัตวโบราณฝังอยู่ในตลับหลายทั้นตลับชั้นสุดท้ายจารึกเป็นอักษรบาลีรุ่นเก่าที่สุดรุ่นขัง้งพุกดการจารึกบอกว่าสริราชตวนนี้เป็นของข้าปัตยะวมูน่นี้อันพูกสักยะวง์เป็นผู้ประดิษฐานไว้คือว่าสักยะวงฝ่ายปีพิษีวันอะปีพฤษีวันซึเป็นเชื่อ ว, วงสักยะวงฟูกหนึ่งอะ เป็นผู้ได้รับส่วนแบ่งจากโคนาพามแล้วก็เอาไปสร้างสัพพุบูชาสัพพุบูค์นี้ฝังดินฝังตาเป็นระยะ ก, กว่าสองพันปีเพิ่งมาขุดพบเมื่อต้นรัชกาลที่หา้ารัฐบาลอินเดียมีหลอดเคสันเป็นหัวหน้าเป็นวัยตรอยดีใจที่แรกว่าต้องการจะเอาไว้เข้าพิพิธภัณฑ์แต่ตอนหลังมีพระไ ท, าทายองค์หนึ่งชื่อว่าชิณะบุรุษองค์ไม่ใช่อื่นการพระไ ท, าทายองค์เนี้ยคือพระองค์เจ้าปิจดางพระองค์เจ้าปิจดางท่านเป็น เขาจะพูดรกรุงสยามประจำํำราชสำนักอูตั้งติดกวางประเทศนะ่ะแหมเวลานั้นเรี้ยวที่สุดเลยท่านจะว่าไปแล้วเป็นนักเรียนอนอกรุ่นแรกที่สุดโกวิศดารเนี่ยเป็นพูดไทยประจำประจําสำนักเป็นเจมประจำสำนักต่กำำกางๆมากมายที่ล้างขั้นเบือขัดขัดใจกับราชการมีห่าหรือเหลืองอะไรก็ไม่รู้บวชหมูที่ลังกาไม่บวชบนไทยบวชลังกาและเอาขึ้นอิสราเอลสายสะพายสร้างพระเจดีย์บูชาบรรจุในพระเจดีย์หมดที่วัดทีวุฒิ า, ารามในเมืองโกดมโบ แล้วตู่ท่านก็เดินทูดงเดินไปอินเดียไปเพื่อลึกสุดทศพระรูประรูปพาส่วนนี้พระชีนวาวโรงก็เสนอไวยสรอินเดียบอกว่าควรจะทูนกล้าให้พระเจ้ากรุงสยามเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินประเทศเอกราชประเทศเดียวที่นับถือพทิศศาสนาในเวลานั้นให้อินเดียก็ให้พูดมีหนังสือมากราบคุ้มทูลรัชกาลที่ห้าได้ทรงขย้าภูเขมซึ่งต่อมาเป็นจ้กขยายมราชมห า, าปัญะ เดินทางเป็นผู้แตะแทนต่างพระองค์ไปอัญเชิญพระบรมธาตุส่วนนี้มาประเทศไทยระหว่างที่มาในเรือน่ะญาพ า, า, าุขุมไม่ใครเชื่อเอพระธาตุแทหรือเปล่าก็ไม่รู้แนฮะที่เราเชิญมามันใส่ในพระเจดียด์กาไหลทองน่ะกำลังลึกสงสายอย่างนี้เชียวนะอยู่ในห้องเทบินในเรือเนี่ยทันในนั้นพระธาตุองค์นี้สาแดงกภบพิมิหารเป็นฉับพลังสีแพร่วางทั่วห้องเลย พญาสุขุมนั่งอยู่บนเตียงเวลากลางวันตกตะลึงงานไปหมดเวลานั้นน่ะทนายหน้าหอของพญาสุขุมเป็นขุนกําลังจะเข้ามาด้วยธุรกิจกับพยาสุขุมเปิดประตูห้องเคบินโผล่เข้ามาเลยยืนอ้าปากค้างมองพระรบรมชาติแสดงปาฏิหารอ้าปากข้างนั่สองคนเลยเชื่อหน่ตัวเซ็นแล้วพระบรมชาติไม่ติดจ้าแน่แล้วส่วนนี้เข้ามาถึงเมืองไทยตั้งไว้ว่าพระแก่ให้ประชาชนดูช่าวสามวันแล้วก็เวลานั้นชาวพุทธนานาชาติรู้ข่าว ผู้แทนมาขอส่วนแบนส่นแบนจากราชการมิหะคณะสงฆ์ขมา่ขาคณะสงฆ์ลังกาคณะสงฆ์ญี่ปุ่นเดินทางมาแต่เป็นการใหญ่ทีเดียวราชการมิ่ะก็แบ่งให้แต่ทั้งเหลือแล้วถึงไปบรรจุไว้บนยอดภูเขาทองวันวันพุเดี่ยวนี้เพราะงั้นโดยหลักฐานโบราณคดีเราก็มีกระดูกพุทธเจ้าเป็นพยานพธาตุที่นักโบราณคดียอมรับทุกประการโดยหลักฐานทางสร้างประวติศาตร์มีเมืองกมีพรพัฒเอ๋ยก็ลาจะคืบเตวานารามโคสิตาราม อ่าพุทธารามทินักสมัยอินเดียข uh, ุดคนพบค้นพบฟาดอ่ะเป็นมากมายรวมทั้งกะติคันตะกูดีที่อยู่พุทธเจ้ายังพบเลยที่อินเดียในค่ำวันนี้เป็นหลักฐานอยู่นี่โบราณคดีทางการประวัติศาสตร์นี่หลักศิลาจาลึกจารึกวิจารสุเออจารึกกษัตริย์อินเดียสมัยโบราณต่างๆเอออีกกล่าวถึงพุทธเจ้าน่ยมีฟอกจารึกของพวกศาสนาอื่นในศาสนาพราหมซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมายกย่องพุทธเจ้าในคัมภีในศาสนาพาหมก็กล่าวถึงพุทธเจ้า ว่าพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ยังไงต่อสู้กระพิฆามมาอย่างไรพวกครามณ์ไปต่อสู้พุทธเจ้ามาอย่างไงไปมีข้อความระบุในศาสนาซึ่งไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาพร os, ый, mies, his, ามณ <men> ์ระบุได <men cat fever> <men> ้นอกจากศาสนาพรามแล้วศาสนาเชนยังระบุพุทธเจ้าอีกก็เป็นศาสนาที่เกิดร่วมยุคพุทธสมัยเด็กล่าวถึงพระคมณะโคล่ดึงอย่างนั้นอย่างนสอนอย่างนั้นอย่างนั่มีไว้ในศาสนาอื่นๆมานับประการหลักฐานมินำซาอนใ้จุดหมายของพวกตรีกที่เดินทางมาตีอินเดียสมัยอะลิสันโดยมหาราช ก็เดบันทึกถึงภาวะการของพุทธศาสนาในอินเดียนี่พวกกรีกคนจะมันจะต้องมานับถือครุฑอ่ะเขาเป็นคนดังมังค่าเขาจะพูดถึงศาสนานี่เพราะฉะนั้นประมวลหลักฐานต่างๆทั้งโบราณคดีประวัติศาสตร์หลักธรรมะแสดงให้เห็นชัดว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมีชีวิตอยู่ในโลกจริงและหลักฐานแกล่ะยาฮวาอยู่ที่ไหนเชิญมาให้ดูได้ไหมนอกจากในคำพิที่แกบอกเป็นผู้สร้างโลกนี่คือผล่างยาฮวาแล้วแล้วอยู่ที่ไหนพระยาฮวา เิมามีหลักฐานอะไรบ้างเดินมาสิมีบ้างไหมเ่าย้อนถามเขาบ้างสงสัยไหมครับขอ้อนี้ยังมีอะไรสิดใจไหมครับพระหินเจ้าองค์นั้นมีอะไรสิดใจไหมครับขอความสุขสวัสดีะมีเดชท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นธรรมกถาพิเศษที่มีคนขอร้องให้ ประลรบให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับคริสตศาสนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ซึ่งว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วตั้งแต่พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นมาในโลกนั้นได้มีคนพยายามใส่ร้ายพยายามทำลายมาโดยตลอดแม้ในสมัยที่ พระพุทธเจ้ายังรับรงพระชนอยู่ก็เหมือนกันแต่ว่าจากบทเรียนในอดีต ท, ที่เราได้เคยประสบพบมานั้นถ้าเป็นการทำลายแบบพูดเฉยๆหรือไม่เอาเงินออมนาจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่สามารถทำลายได้แต่ถ้าหากว่าเอาเงินออมนาจเอาอยัางอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง พระทศาสนาก็ถูกทำลายไปได้ง่ายทุกทีเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำของคริสติการุมันคาทอลิกตั้งแต่ปศ .507 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนแปลงแนวการกระทำที่มีลักษณะนิ่มนวลแต่ก็ทำลายล้างอย่างรุนแรง เพราะว่าเป็นการกระทําแนวเดียวกับที่อินเดียเคยทําลายพระพุทธศาสนามาในครั้งอดีตคือประมาณปศสส1 3 3 0 3 2ก็มีนักปริบัติอินเดียเกิดขึ้นมาคนหนึ่งชื่อท่านสังกราจานเป็นคนหนุ่มที่ฉลาดปราดเปรื่องมากก็ เ, เห็นว่า หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีความดีงามนักปรารถนัณนิตพระเจ า, ามหากษัตริย์ครบรุบ่นกันมากแม้ว่าจะมีการต่อต้านมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายัางดำรงประชนอยู่ก็ไม่ําทำลายพระพุทธศาสนาได้มีแต่เจริญเติบโตขึ้นมาโดยดางดท่านบุ้นี้จึงเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจนแตกฉานดีแล้วท่านก็สึกออกไปก็เริ่มเปลี่ยนแปลงคำภีพระเวทโดยเอานำคำสอนในพระพุทธศาสนาเข้าไปใส่ไว้ในคำภีพระเวทและสถานที่ที่ท่านไปทําการเปลี่ยนแปลงคำภีพระเวทก็คือที่อิสิปตนามฤกษายวันคือสารนาที่พระเจ้าทรงแสดงวตมเทศนานั่นเอง เราทําในทางพระพุทธศาสนาเป็นอันมากโดยเฉพาะหลักที่ใหญ่ได้ถูกดึงเข้าไปอยู่ในกัมพีพระเวส่วนที่เรียกว่าเว ท, ทันตะคือตอนสุดท้ายของพระเวกับส่วนที่เรียกว่าอุปนิสตัตคือตอนใกล้พระเวศเรียกว่หมดเลยจนมาในตอนหลังคือหลังจากนั้นหลังจากได้เปลี่ยนแปลงพระธรรมแล้ว ท่านผู้นี้ก็เริ่มมาเปลี่ยนแปลงที่พระพุทธโดยพยายามอธิบายในแนวอวตารถือว่าพระพุทธเจ้านั้นแท้ที่จริงก็ไม่ใช่เป็นใครที่ไหนเป็นพระนารายณ์อวตาร ล, ลงมาในโลกมนุษย์เท่านั้นในชั้นแรก อ, อวตารดีพอสมควรคือไม่ถึงกับว่า ออกมาในรูปของปีศาจเป็นซาตานอะไรแต่อธิบายไปอธิบายมาก็บอกว่าที่พนารายต้องอวตารมาเหมือนกับพระรามพระกฤษณะที่อวตารจะเป็นยุคเป็นสมัยพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นบางที่สิทของพนารายเรียกว่าพุทธาอาวตารพอเห็นว่าคนชเชื่อมากขึ้นก็ อ, อธิบายไปว่าที่พนาลัยต้องอวตารมานั้นก็เพราะว่ามีคนไปเกิดบนสวรรค์มาก ทำความดีไปเกิดในสวรรค์กันมากทําให้สวรรค์แออัดฤทเทปพบุตรเทพทธิดาคือประชากศักยจะล้นโลกสวรรค์ขึ้นมาปณาายเลยต้องอวตารมาสอนหลักธรรมที่ผิดๆเป็ น, เ, ปนเพื่อให้คนได้ตกนรกกันมากขึ้นสวรรค์จะได้ว่างไม่แอาอาัดยัดเยียดฤทเทปพระพุตรเทพธิดาเป็นการล้มคําสอนพระพุทธศาสนาหรือปฏิเสธคําสอนในพระพุทธศาสนาเลย แต่แ้ทจริงแล้วเป็นคำสอนให้คนตนกนรกไม่ใช่เป็นคำสอนให้คนขึ้นสวรรค์ตวุธเจ้าเองก็เป็นเพียงนาลายอรวาตารแล้วก็หลักธรรมทั้งหมดก็มีอยู่ในคอมพีประเวทแล้วซึ่งเรื่องนี้นักปราชญ์ทางศาสนาที่เราศึกษาประวัติศาสตร์ศาสนานั้นเราต้องมองในแง่ข้อเท็จจริง